พึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้เข้ามาอยู่ภายในคือสำรวมความคิดความนึกต่างๆนั่นแหละอย่าให้มันคิดสงสัยไปเวลานี้หยุดคิดเตือนตนอย่างนั้น ถ้าไม่ยอมหยุดคิดแล้วจิตนี่มันก็จะกดแก่งไปมาอยู่ยนั้นสงบลงไม่ได้ก็จิตมีดวงเดียวดังที่เคยพูดมาแล้วอันนอกนั้นเป็นแต่เพียงอาการของจิตเท่านั้นเองดังนั้นจึงว่า ตนแลเตือนตนที่พระพุทธเจ้าตรัสไ้นั่นนะตนแลเป็นที่พึ่งของตนถ้าว่าโดยทางปรมถาถธรรมลงไปแล้วมันก็หมายถึงว่าจิตนั่นแหละพึ่งจิตเองจิตนั่นแหละสะสมเอาตั้งแต่ความดีเข้าใส่ไว้ มันถึงจะพึ่งตัวเองได้เมื่อยังละกิเลสไม่หมดนี่จิตใจมันก็ไปพึ่งพาอาศัยกับกิเลสกิเลสมันก็พาเล่หลอนพาเนจรเที่ยวเกิดเที่ยวตายไปในสงสารอันนี้พม่มีที่สิ้นที่สุดลงได้ เมื่อจิตนิละกิเลสออกไปหมดแล้วนะมันจะไม่ได้เคลื่อนไหวไปที่ไหนพูดกันอย่างง่ายๆมันจะไม่มีเหตุอันใดมาปั่นจิตนี้ให้หมุนเวียนไปหาที่เกิดในพบน้อยพบใหญ่ต่อไปอีกเนั่ต้องวาดมโนภาพดูให้มันเห็น เมื่อผู้รยรวาดมโนภาพดูเห็นแล้วมันก็จะพอใจที่จะทำใจให้ว่างจากกิเลสตัณหาเพราะว่าใจที่มันว่างหรือมันสงบนิ่งอยู่นี่นะมันมีความสุขใจที่มันกอดแกงไปมานั้นมันไม่มีความสุขมันเป็นทุกข์มันต้อง เทียบเทียงกันดูถ้าไม่รู้จักเทียบเทียงกันอย่างนั้นแล้วมันก็จะไม่พอใจนะจะไม่น้อมใจลงสู่ความสงบเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะ่ยแต่อาศัยตัณหานะมันย้อมใจ ทำให้เกิดความพอใจยินดีในความสุขทั่วคลาวอันนี้เป็นเรื่องของตัณหามันย้อมใจเมื่อส่งใจไปยินดีพอใจกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆแล้วอย่างนี้เนะี่ยมันทำให้ชื่นใจดี อารมณ์ไหนที่ตนพออกพอใจหากได้ส่งใจไปเพ่งไปพิษพินิษ ด, ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าสบายใจดีนี่แหละเรียกว่าความสุขชั่วคราวนะมันเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ไม่ควรที่จะยอมตนตกเป็นทาสแห่งตัญหาทั้งหมดเลย ไม่ควรที่จะไปสำคัญมั่นหมายในความสุขทั่วคราวนั้นว่าเป็นความสุขอันเป็นแก่นสารไม่ใช่หรอกมันจะเป็นแก่นสารอะไรหร่าสุขอิงอาศัยรูปเสียงอันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเมื่อรูปหรือเสียงเป็นต้นเหล่านั้นวิบัติแปรปรวนไป ความสุขมันก็หายไปตามกันนี่ถึงแม้ว่าผู้ครองเรือนทั้งหลายหากยังละมันไม่ได้เื่อว่ายังต้องพัวพันทั้งทางกายและทางจิตใจอยู่อย่างนี้นะครับก ah ็ต้องพิจารณาให้มันเห็นโทษส่วนที่ มันไปผวพันอันประกอบไปด้วยบาปอากุศลนั้นถ้าส่วนใดพิจารณาเห็นว่ามันไม่เป็นบาปอากุศลแล้วก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่ให้ทุกข์ให้โทษมากเกินประมาณข้อสำคัญมันอยู่ที่ไปผูกพันกับสิ่งที่มันเป็นบาปเป็นโทษนั่นแหละ ที่สาสตาทรงสอนให้ผู้ครองเรือนทั้งหลายนั้นภาคีพยายามละสำรวมจิตของตนว่าอย่าทรงจิตให้ไปผูกพันอยู่กับโรคเสียงเป็นต้นที่เป็นบาปอากุศลดังกล่าวมานั้นนะถ้าเป็นนักบวชแล้วก็ ต้องเว้นโดยเด็ดขาดเลยทั้งทางกายทั้งวาจาทั้งทางจิตใจมันก็เป็นขั้นตอนของใครของมันอยู่อย่างนี้แหละอะผู้เป็นคเรหัดก็ต้องละเว้นในขีดความสามารถของตนผู้เป็นนักบวดจะ ต, ต้องพยายามเว้นให้มันห่างไกลทั้งไตรทวารไปเลย คือว่าเว้นไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ทำความพอใจกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกยินดีก็ไม่ยินดียินร้ายก็ไม่ยินร้ายหมายความว่าอย่างนั้นถ้ามันมีความยินดีอยู่ไปไปหน่อยหนึ่ง สิ่งที่ตนยินดีนั่นแหละมันวิบัติแปรปรวนไปก็เกิดยินร้ายขึ้นมานี่มันมันเป็นของไม่แน่นอนอย่างนี้อามิตร a สุขสุขอิงอาศัยวัตถุสิ่งของโดยเฉพาะก็ถ้าพูดใ ก, กล้เข้ามาก็ได้แก่ขันห้านี่แหละขันห้านี่มันก็บางคราวมันก็ให้มีความสุข แต่มันก็สุกไปชั่วคราวดังที่ทุกคนก็คงได้สัมผัสกับขันหานี้มาทุกลมหายใจเข้าออกบางคราวมันก็ได้สัมผัสอันยามยาบให้เกิดความรู้สึกยามยาฝืดไม่ปลอดโปร่งอันนั้นแหละคราวนั้นะรู้สึกว่าเป็นทุกข์ไม่สบายใจเลย บ า, าบางคราวบางคราวร่างกายอันนี้มันเป็นปกติมันก็รู้สึกว่าหายใจก็โล่งปลอดโปร่งดีไม่อึดอัดขัดข้องอะไรมันก็มาหลงความสุขอันนี้แล้ววันนี้นะเห็นว่าตนได้อยู่สบายสบาย ไม่มีขัดข้องอะไรก็ลืมตัวไปแบบ น, นี้เนี่ยมีแต่เพลินเน่ยถ้าเป็นนักบวชอันนี้ก็ไปหาตั้งแต่คุยกันเมื่อจิตใจมันเพลินแล้วนะ <c oughs> หาแต่เรื่องสนุกสนานมาพูดกันข้อวัดปฏิบัติไม่เอือเฟืออย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นปากทางความเสื่อม ของผูกประพฤติพรหมจรรย์แม้เป็นคฤหรือหัดก็ตามถ้าเป็นผูกเพลินเกินขอบเขตมันก็เป็นเหตุให้ทําบาปอกุศลดึงความพเพลินนี่ถ้ามันเกินขอบเขตแล้วไม่ได้นะมันให้เกิดโทษทั้งนักบวชทั้งกระหัือหัดนั่นแหละอันทําให้ล่วงศิลได้ มันทำไม่ละเลยต่อธรรมะสงควรที่จะย ก, กจิตใจก้าวหน้าขึ้นไปสู่คุณธรรมเบื้องสูงก็ทำไม่ได้ก็ติดก็คล้องอยู่ตั้งแต่คุณธรรมขั้นต่ำนี่เรื่อยไปคุณธรรมขั้นต่ำนี่มันก็ไม่ยังยืนเหมือนกัน มันก็ให้มีความสุขไปได้ชั่วคราวชั่วระยะที่คุณธรรมนั้นยังไม่เสื่อมแต่ถ้าคุณธรรมนั้นเสื่อมลงไปแล้วความสุขนั้นก็หายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้พากันพิจารณาดูอัตภาพร่างกายอันนี้เสมอเสมอไม่ว่านักบวชไม่ว่าคารื้น เรามีหน้าที่ที่จะต้องพิจารณาดูร่างกายนี้ทั้งนั้นแหละเพราะถาให้พิจารณาดูให้มันเห็นตามเป็นจริงแล้วมันหลงมันติดมันหลงยึดถือว่าเป็นตัวตนของเราเมื่อไปยึดถือว่าเป็นตัวตนอย่างไรมันก็มีแต่ทุกข์ละวันนี้นะเพราะว่ามันไม่เที่ยงนี่ไปยึดถือเอาของไม่เที่ยงไว เป็นที่พึ่งอย่างนี้มันจะพึ่งได้นมนานอะไรเล่าหน่อยหนึ่งอวัยวะส่วนนั้นชำรุดไปหน่อยหนึ่งอวัยวะส่วนนี้ชำรุดไปแล้วส่วนไหนมันชำรุดไปมันก็มากระทบกับจิตนี้ไม่ใช่ว่ามันชำรุดไปโดยลำพังเท่านั้นมันก็มากระทบกับจิตนี้แหละ ถ้าว่าไม่มีจิตดวงนี้แล้วร่างกายอันนี้มันก็ไม่มีความหมายอะไรหรอกความจริงนะมันก็จะไม่เกิดมาเป็นรูปเป็นกายอย่างนี้อีกเลยไอ้ที่มันได้เกิดมาเป็นรูปเป็นกายของมนุษย์นี่นะมันก็เพราะมีจิตตรงนี้แหละเข้ามาอาศัยอยู่ในธาตุของมารดาบิดา แล้วก็มีบุญกรรมเป็นเครื่องตกแต่งธาตุของมันดาบิดาดันแหละให้เกิดเป็นอวัยวะน้อยใหญ่ขึ้นมา น, นี่การเจริญปัญญาวิปัสสนานี่มันต้องเพ่งเขิเนาดูความเป็นมาแห่งชีวิตนี้ให้มันเห็นตามเป็นจริงไปเลยแล้วมันจะไม่ได้สงสัย มันก็จะละอุปท า, านความยึดมั่นถือมั่นนั้นให้ได้โดยลำดับไปเรียกว่าละไปให้เบาไปเรื่อยๆไม่ให้มันถือมัน่นกระชับแน่นแฟ้นเข้าไปเรื่อยๆ อ, อย่างนั้นเรียกว่าคลายความยึดมั่นถือมัน่นให้เบาวางไปเรื่อยๆมันอย่างเราเอาเชือกไปรัด สิ่งต่างๆนี่นะฮะมันแน่นไว้แล้วบัด น, นี้เมื่อเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรการไปรัดให้มันแน่นด้ยอย่างนี้แต่สมมุติว่าเอาเชือกมารัดร่างกายนี้เส้นโดยเส้นหนึ่งให้แน่นเข้าไปไว้อย่างนี้นะมม่มีแต่เจ็บแต่ปวดไม่มีประโยชน์อะไรเลยเจ็บปวดทนไม่ไหวก็ร้องครวญครางออกมา การเมื่อเห็ น, น, นว่าการเอาเชือกมารัดร่างกายอันนี้ส่วนใดส่วนหนึ่งว่าอย่างนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่เจ็บมีแต่ทุกข์อย่างเดียวเมื่อมันรู้ชัดอย่างนี้แล้วมันก็คลายเชือกนั้นออกจากอาวัยวะร่างกายส่วนนั้นเมื่อขนาดที่คลายออกยังไม่หมดนั้นมันก็ มีแต่มันก็เจ็บอยู่บ้างแต่ว่าบรรเทาลงความเจ็บมันก็คลายออกไปเรื่อยเมื่อมันเชือกมันคลายออกจากร่างกายที่เอารัดไว้น่ะความเจ็บมันก็ค่อยคลายออกไปโดยลำดับไปทีนี้เมื่อคลายเชือกนั้นออกจนหมดแล้วความเจ็บมันก็หายไป อันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเมื่อเราพยายามเจริญสมถะวิปัสนาไปอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นจากความสงบจิตนั้นได้แล้วก็มาสอนใจนี้ให้มันคลายความยึดความถือในรูปในนามอันนี้ไปเลยๆสุดแล้วแต่จะคิดหาอุบายอันใดได้ซึ่งเป็นอุบายที่จะให้จิตเบื่อหน่าย เป็นอุบายที่จะให้จิตเบื่อหน่ายในขันธ์ทั้งห้านี่นะ่ะเบื่อหน่ายในความยึดความถือเนี่ยว่ามันเป็นทุกข์จริงๆอันนี้มันต้องแล้วแต่อุบายนะถ้าอุบายไม่ดีพอจิตนี่มันก็จะไม่เบื่อไม่น่ายต่อขันธ์หานี้มันก็จะต้องหลงยึดหลงถือว่าเป็นของตัวของตนอยู่อย่างนี้แหละ เมื่อมันยึดถือขันห้านี้ด้วยอำนาจแห่งอวิชชาตันหาแล้วมันก็ใช้ขันห้านี้ไปทำบาปแล้ววันนี้น ะ, ะใช้ขันห้านี้ไปฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์มนุษย์ฆ่าสัตว์เดรัจฉานฆ่าได้ทั้งนั้นแหละ ว, ว่าแต่กบหมาะ ถ้าตนไม่ฆ่าขอใช้ผู้อื่นไปฆ่าแทนนึกว่าไม่เป็นโทษแต่ความจริงเนะี่ยใช้ผู้อื่นให้ไปฆ่าแทนมันก็เป็นบาปเป็นโทษเหมือนกันนะใช้ผู้อื่นไปรักทรัพย์ไปจี้ไปปล้นเขาไปหลอกลวงเขาโมนี่มันก็มีส่วนแบ่งกับคนอื่นทั้งนั้นแหละไม่ใช่ไม่มีอ่ะ อันนี้คนเราน่เป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าไม่ละอุปทานแล้วนะถ้าความยึดถืออันนั้นประกอบไปได้วยอวิชชาความไม่รู้แล้วน่ะประกอบไปได้ตัณหาความทะเยอทยานอยากเกินขอบเขตแล้วนะมันก็จะทําให้ไปประพฤติผิดมิจฉาจรกรรม พูดง่ายๆว่าไปเล่นชู้จากเมียไปเล่นชู้จากผัวหรือว่าไปเล่นชู้กับเมียของคนอื่นถ้าเป็นผู้ชายนะถ้าเป็นผู้หญิงก็เลยว่าไปเล่นชู้กับผัวของคนอื่นไอ้พูดอย่างนี้เนะี่ยมันจึงเปิดเผยดีอะแล้วก็ใช้ขันห้าอันนี้ไปพูดเท็จพูดคำไม่จริงเพื่อจะหลอกเอาเงินทองเข้าของเขามา หรือไม่ใช่ะนั่นโกโรธเขาแล้วก็ไปหลอกพูดหลอกลวงให้เขาไปตายโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือว่าให้เขาจิตภายวายวอดลงไปในทรัพสมบัติเขาของเงินทองอย่างนี้นะแล้วใช้วาจาไปพูดซอเสียดยุโยงให้คนอื่นแตกร้าสามัคคีกันมันโกโรธนะ่ะโกโรธเขามาแล้ว คนเหล่านี้เราจะยุให้มันทะเลาะกันไม่ให้มันมีความสุขได้เลยแหละอย่างนี้นะคิดจะนี้เราก็ไปปั้นเอาเรื่องคนในกอไปพูดอะไขอฟังว่าในกอนะนินทาคุณอย่างโน้อนอย่างนี้ในกอเนี่ยคิดอิจฉาคุณนะ่ะไม่ยินดีกับคุณหรอก อือย่างนี้น ะ, ะเมื่อในในายขอเนี่ยเชื่อคําพูดของผู้นั้นแล้วก็นายขอนี่ก็ไปโกรธนายกอล่ะโดยไม่มีเหตุผลเลยแบบนี้อก็วู้วามไปทันทีเลยไม่ได้คิดอคนใจหล่อเนี่ยคนใจไม่ตั้งมั่นเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหาว่าผู้ใดใจคอหนักแน่นนะเมื่อมีใครมาสับสอยอย่างนั้น ก็ฟังหูไวหูก่อนบัด น, นี้ก็ไปถามนายกอดูก่อนว่านายกอได้พูดอย่างนั้นจริงเหรืออย่างนี้ถ้านายกอยืนยันแล้ไม่ได้พูดเลยอย่างนี้ก็ตกลงว่าไอ้พูดนั้นมันมันกโกรธกโกรธแล้วก็ไปยุโยงให้คนเหล่านี้แตกแล้วสามัคคีกัน เมื่อศือสาหาต้นตอมันไม่มีมวลความจริงแล้วก็เลิกแล้วกันไปไม่ต้องทะเลาะกันไอคนที่ไปพูดซับต่อให้คนอื่นวิวาทกันนั่นถึงแม้เขาจะไม่วิวาทกันก็ตามแต่มันก็เป็นบาปอยู่ในตัวเลยเกิดไปชาติใดก็จะไปถูกแต่เขาหลอกลวงให้เสียทรัพย์เสียสินอยู่อย่างนั้นแหละเออพราะว่าตนได้ใช่วาจา ไปหลอกลวงให้ผู้อื่นทาเราวิวาทกันเสียเงินเสียทองอะไรอะไรอย่างนี้นะนั่ น, น <c oughs> แล้วมันก็ใช้ให้วาจานี่พูดคำหยาบคายเมื่อมันกโกรธใครมาแล้วไม่มีแตนะจะพูดไปพูดนิมนวนอ่อนน้อมได้อนะมีแต่ด่ามีแต่เช่ง ให้ชิดฟ้ายบายวอดอะไรต่ออะไรไปยังไงเรื่องคําหยาบแล้วคนที่ยึดเือขันห้าด้วยอวิชชาความไม่รู้แล้วมีแต่ปล่อยให้จิตเพลินไม่รู้จักควบคุมจิตใจตัวเองเมื่อใจมันเพลินไปเท่าไหร่ว่าจ่าคาพูดมกกันก็เลื่อยเผยไปไม่มีจุดหมายปลายทางเลยพูดเอาจนน้ําลายเป็นฟองนุ่น พูดจะ ม, มีเหตุไม่มีผลเพียงพอนั่นนะ่ะท่านเดียวกับพูดเพิดเจอเลีวไหลอย่าไปเข้าใจว่าไม่เป็นบาปนะเป็นบาปเหมือนกันเป็นโทษก็คนที่พูดมากปากหลเนะี่ยมันชอบโกหกนี่เอาไว้เอามานะี่ะดีไดีมันก็พูดไปกระทบกระทั่งคนอื่นเข้าทําให้เขาเจ็บอกเจ็บใจ เกิดทะเลาะวิวาทกันจะไม่เป็นบาปอย่างไรแล้วเพราะฉะนั้นคนเรานี่ต้องรู้จักประหยัดคําพูดนะวาจานี่เป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีนักปราชญาท่านทั้งหลายเปรียบเทียบเรื่องสามอย่างนี้นะเข้าใจกันแล้วนะว่าวาจานี่เป็นเอกถ้าพูดดีก็เป็นศีรษะมีคนรักรส ถ, ถ้อยอร่อยจิต ถ้าพูดชั่วตัวก็ตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจานั่นแหละถ้าพูดดีก็เป็นศีรษะมีคนรักรส ถ, ถ้อยอร่อยจิตพนวะพูดฟังนะไม่ลืมเลยคำพูดพูดที่มีเหตุมีผลพูดอ่อนโยนนิ่มนวลเหมือนอย่างคำพูดของพระศาสดา พราะองค์ทรงสแสดงมีเหตุมีผลคนทั้งหลายก็จดจำออกมาจนถึงปัจจุบันนี้ไม่มีเบื่อหน่ายเลยสำหรับผู้มีปัญญาทั้งหลายนะได้สอดสองมองดูแล้วว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มีเหตุผลเพียงพอที่ควรเชื่อดได้ผู้ใดปฏิบัติตามนี้ผู้นั้นจะพ้นทุกข์ไปได้จริงๆ เพราะฉะนั้นเียาว์าคาสอนของพระองค์จึงไม่ได้ล้าสมัยเลยแม้พระองค์จะปรินิพานมาแล้วตั้งสองพันกว่าปีแลว้วก็ตามพระธรรมคําสอนของพระองค์ก็ยังมีรสมีชาติกลมกล่อมอยู่นั่นแหละอันนี้แหละให้พึ่งพากันเข้าใจการยึดถือขันห้าไว้โดยอํานาจแห่งอวิชชาตัณหานี่มันมีแต่จะพายไปทําบาปแต่ถ้ายึด ขันห้าดีไว้ด้วยอํานาจแห่งปัญญาอย่างนี้นะ่ะนั่นมันดีในเมื่อตนยังละกิเลสบาปประรำไม่ได้อย่างนี้นะมันก็จําเป็นก็ต้องอาศัยขันห้านี้่จาเป็นมันต้องยึดขันห้าดีไว้เพราะยังละอวิชชาตัณหายังไม่ได้หมดแต่ว่าเราจะอาศัยขันห้านี้สร้างกุศลคุณงามความดีให้เจริญ ง, งอกงามขึ้นในตน เล่อว่าบุญกุศล น, นี่จะได้เป็นกําลังใจทําให้ใจเข้มแข็งเมื่อใจเข้มแข็งแล้วสามารถรักษาสินในบริสุทธิ์ได้สามารถเจริญสมาธิทําใจให้สงบใจง่ายเพราะว่าบุญนี่มันช่วยป้องกันมารคือกิเลสต่างๆไว้ไม่ให้มารบ ก, กวนจิตใจได้นี่มันเป็นอย่างนั้น อนุภาพแห่งบุญกุศลนะเริ่มตั้งแต่อนุภาพแห่งการให้ทานอนุภาพแห่งการรักษาศีลมาหรืออนุภาพแห่งการทำกุศลอื่นๆโมนี่มันมันเมื่อ ม, ม, มันรวมกำลังกันเข้าในจิตใจนี้แล้วมันทำให้ใจหนักแน่นเยือกเย็นตั้งมั่นไม่วันไว เมื่อจใจตั้งมั่นอย่างนั้นน้อมลงสู่ความสงบมันก็สงบได้ไง่ายอย่างนี้แหละเมื่อจใจสงบตั้งมั่นอยู่เสมอเสมอไปอนั้นปัญญามันก็ผุดขึ้นมาเอยเมื่อมีเหตุอะไรกระทบกระทั่งมากำหนดใจให้แน่วแน่แล้วมันก็รู้เรื่องนั้นได้เลยเรื่องนี้เป็นยังไงดีหรือชั่วผิดหรือถูกอย่างนี้นะมันก็รู้ได้โดยตนเองเลย เมื่อรู้ว่ามันผิดก็ละทิ้งไปเลยไม่ยึดถือเอาไว้เมื่อรู้ว่ามันถูกก็พยายามรักษาไว้คําว่าเมื่อว่ามันถูกนั่นหมายความว่ามันเป็นบุญนั่นเองเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลเ อ, อเรารักษาความรู้ความเห็นที่มันถูกทางนั้นไว้ก็เท่ากับว่ารักษาบุญกุศลนั่นเองเนี่ยไม่เสื่อมนี่มันเป็อย่างนี้การยึดถือขันห้านี่มันก็ อุปมาเหมือนอย่างบุคคลผู้ที่มองเห็นว่าฝั่งทางนี้น่ะมันมีภัยอันตรายมากฝั่งแม่น้ำนี่นะมองดูเห็นว่าฝั่งทางโน้นมันปลอดภัยดีไม่มีค่าศึกต่ตรูอย่างนี้ก็พยายามคิดต่อเรือให้มันแข็งแรงทนทานเพื่อจะได้โต้กับขึ้น น้ำต่างๆที่มันกระทบกระทั่งมากลได้พยายามต่อเรือนั้นให้มันแข็งแรงด้วยดีเสร็จแล้วก็ลงสู่เรือนั้นติดเครื่องให้เครื่องเรือแล้วมันพาเรือไปสู่ฝั่งโน้นให้ได้โดยสวัสดีในระหว่างที่อยู่ในเรือมันก็ต้องจับแคมเรือไว้อยู่นั่นแหละ ต้องอาศัยเรือนั่นไปก่อนท่านเมื่อพอไปถึงฝั่งโน้นแล้วก็ขึ้นจากเรือแล้วก็ไปเลยไม่ต้องได้อะไรมันอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้ว่าขันห้านี่มันไม่เที่ยงเนี่ยแต่ว่าบุญบา ร, รมีของเรายังไม่เต็มเราต้องอาศัยขันห้านี่แหละสร้างกุศลคุณงามความดีไปให้เต็มความสามารถ สิ่งใดมันชั่วเราจะเพียนไม่ยัมละให้มันน้อยเบาวางไปเรื่อยๆไปละตั้งแต่ความชั่วนั้นออกไปเลยเก็บหอมรอมริบเอาความดีต่างๆเข้ามาใส่จิตใจนิไว้การที่เราภาวนาน้อมใจลงสู่ความสงบนั้นน่ะนีย่ยชื่อว่าเรารวบรวมเอาบุญกุศลความดีที่กระทามานั่นน่ะมาไว้ในจิตดวงเดียวนี้หมดเลย ให้เป็นกําลังจ <trade>. ิตนี Or, ้เมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ในบุญกุศลดังกล่าวมานั้นได้แล้วปัญญามันก็โผล่ขึ้นมาเลยพิจารณาเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่ตามที่พระพุทิภาคกล่าวทรงแสดงไว้นั้นเห็นทุกข์ว่าทุกนี้เมื่อขันห้าได้ยังมีอยู่ตราบใดทุกนี้ก็มีอยู่ตราบนั้นจะต้องทําความรู้เท่าอย่าไปสําคัญว่า ขันหานี่เป็นตัวเป็นตนเมื่อไม่สำคัญว่าขันหานี้เป็นตัวเป็นตนแล้วก็กรู้ชัดว่าทุกนี่ก็ไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันทำความรู้เท้าเอาไว้ไม่เดือดร้อนกับทุกนั้นรู้แจ้งในเหตุที่เกิดทุกว่าตัญหาความอยากของ จ, จิตใจนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดทุกทต่างเมื่อตัณหามันมีอวิชชาเป็นคู่กันไป มันก็ใช้กายวาจาใจไปทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วดังกล่าวมานั่นแหละใช้ให้มันพูดเท็จและใช้ให้มันส่องเจ็บของมึนเมาสุรายาฝิ่นเฮโรอีนอะไรต่ออะไรหมดเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันเข้าใจความหมาย ของการปฏิบัติธรรมการทำสมาธิภาวนาเป็นการรวบรวมบุญกุศลคุณงามความดีไว้ในใจอย่าพากันเกลียดคร้านเมื่อใจสงบแล้วมันได้มองเห็นบาปบุญคุณโทษตลอดถึงอริยสัจจะทำทั้งสี่ว่าเห็นว่าตัณหาในคนละมันก็ละได้เลยมันเห็นด้วยปัญญานะและเมื่อเห็นเพ่งวิณานะเห็นว่าเมื่อตัณหาของขีดนี้ดับลง ทุกทางกิจนีมันก็ดับไปหมดเลยข้อปฏิบัติคือทานศีลภาวนา